ยาเนี่ยปาัชนาของเก่ามันก็มีอยู่ทั้งหมดเลยสามคนเนี่ยแต่นิสัยดูไม่ออกดูไม่ออกเนี่ยข้งงในที่ผมเป็นเพินไปชอบทำงานไปก็ร้องเพลงไปจริงๆเปล่าเนี่ย เออฮะมองข้างนอกมันมองไม่ออกนะัมชอบร้องเพลงเพลินเนี่ยความเพลินเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเมฆมาบังใจสุพทะ์อรหันสาวโบ๊ะโอสุดท้ายเอาใจของตัวเองมันเปรียบกับประจันทร์วันเพ็ินเดือนเดือนเพ็ินเดือนเพ็ิเลยเห็นกิเลสที่มาเข้ามาในจิตใจอ่ะเป็นเพียงแค่เมฆลอยผ่านมาบังใจเท่านั้นเองเอาใจ ถึงเมฆถึงกิเลสจะมากมายไงก็ตามความคิดและอารมณ์ต่างๆเนะี่ยเปรื้นเหมือนเเมฆมาบังใจกิเลสเนี่ยที่เราไหลไปตามฝอยเราไหลไปตามความคิดและอารมณ์อายุต่างๆมันมนะ่ะมันเป็นเพลิงมัเมฆมาบังใจถ้าเราอยู่เหนือมันได้เมฆทั้งหลายก็ไม่มีใจเราก็เป็นเดือนเพลนอ่ะสว่างสวยัยเจริญจ้าท่ า, านจักรวาลโลกธาตุแต่ถ้าก็เลยบรรลุอรหันต์เลยไม่ไหลไปตามความคิดและอารมณ์ เอาเมฆมาบางใจต่อไปไปพูดไปว่าเี๋จะลืมเมื่อกี้จะดื่แต่ว่า น, นี้ไว้ลืมเลไอย้ยาต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขให้ร้องเพลงได้แต่ร้องเพลงด้วยความรู้สึกตัวเข<ม>้าใจไหมแก่ได้ไหมเออแก่ได้เนอะอาะสาธุสาธุดีนะเนี่ยคือมีมีบุญวาสนาเก่าทั้งนั้นเลย พิมว่าก็เกิดมาในในี้ในชาติเนี้มันมันลืมบุญวาสนาตัวเองเก่าไปที่เกิดเองเคยๆๆทํามาเคยพบพระพุทธเจ้าเคยพบพระหลานมาเคยทำความดีกับพระองค์มาไ ม, ไ, ไม่งั้นไม่มีโอกาสได้มาฟังธรรมหรอกนั้นมันเคยทํำมาแล้วแต่มันลืมมาพอมาอนี้แล้วก็นิสัยใครนิสัยมันมันกบฏอนนิสัยเนี่ ย, ย, ยคือเมฆมาบังมาบังเดือนเพนบังใจจิตเดิมแท้นอนกิเลสตานานที่ห ล, ลงไปตามความคิดอารมณ์เป็นนิสัยสันดานเนี่ยเอามาบางังหมดเอามาบางัาบางอย่างเนี้ย <c oughs> อย่างดวงอะอวิสัยอ น, นิสัยที่มันไ ป, ไปตามเจ้าอารมณ์อย่างเงี้ยวุดวัดวุดวัดวุดวัดเหมือนในพวกขับรถชวัดเฉเวียนน ะ, <c oughs> ะเออไอเนี่ยเป็นพวกอันี้นิสัยอารมณ์พวกนี้มันมาบางหมดมันมาบางให้เป็นมันมาบางให้เดือนเพลนที่อยู่ในใจเราเนี่ยทุกคนน่ะเป็นไปตามอิสัยอารมณ์นั่นกันเลยที่พวกนี้มันมาบางเป็นเมฆมาบางหมดถ้าพวกนี้หายหมดนะจิตเข้าสู่จิตเดิมแท้สว่างสวายเป็นพุทธะหมน เป็นสุปัฏอารานสาวะ อ, องค์ใต้ปัจจัยไปเปรียบเทียบกับเดินเต้นเพราเข้าใจนิสัยสันดาลคืออาสวะอนุสัยอันนี้ไม่ได้พูดคำหยาบเพราะมันแปลเป็นคำแปลมาจากอาสวะอนุสัยเลย<ม>คืออมีนิสัยคนไหนมีนิสัยอย่างไรคือชอบคิดชอบพูดอย่างไรที่เป็นประจำชอบคิดชอบพูดชอบกระทําอะไรในทางอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทําอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆพอนานๆเขาก็กลายเป็นความเคยชิน อ่อนจากความเคยชินก็ยิ่งคิดยิ่งพูดยิ่งกระทำอย่างนั้น บ, บ่อยๆในด้านนั้น บ, บ่อยๆนานๆเข้าก็เลยกลายเป็นนิสัยจากนิสัยก็ยิงยงย่งพูดยิ่งคิดยิ่งพูดยิ่งกระทำในแง่นั้นๆในด้านนั้นๆในใ บ, บ่อยๆมันก็เลยนานๆเข้าเลยกลายเป็นสันดาลเนี่ยและนี้เขาเลยตรงนี้มันเขาแต่ภาษาเขาเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยเป็นภาษาพระคืออาสวะก็คือกิเลสเครื่องดองสันดานเนี่ยมันสันดานเอาสวะอนุสัยก็ความเคยตัวเคยใจ จนเป็นนิสัยสันดาลก็ลงที่นิสัยสันดานหมดเห็นไหมอันเนี้ยไอ้พวกนี้อะไรมันเป็นเมฆมาบางังมาบังใจที่เหมือนกับประจันท์วันเพ็ญผมก็ข อ, ขอเรียนถามที่ที่ปฏิบัติอยู่แครับอาครับว่ายังติดขอ้อในส่วนไหนอย่างที่ทําอยู่ก็อันนี้ก็คือมันแด้ได้เห็นว่ามันต้อง เราปล่อยอือารมณ์ปล่อยที่เป็นตั ว, ตวสำคัญอารมณ์เป็นตัวสําคัญครับชอบรอ บ, บมีอารมณ์อยู่ภายในเก็บ ก, ดกดารเก็บกด ต, ต้องมีอารมณ์ต้องมัะต้องปล่อยพอมีอารมณ์แล้วก็ยึ่มกัมกัมแล้วก็ไปออกใช้ออ่ไหอต้องค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ สังเกตมันเอดเกตจับตัวเราเข้าไปปรุงแต่งไปจิดไปตองพอไปดูอารมณ์แล้วเราก็ใจเราคิดติดตองปรุงแต่งอย่างไรก็เคยเรียนรู้เข้ามาถึงใจที่ที่ภายในใจเราที่คิดติดตองปรุงแต่งอย่างไรต่ออารมณ์ที่ถูกหลับดูเราไปแก้ที่ไปเหตุเพราะมันมีอารมณ์แล้วอารมณ์ที่ก็เราก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไปมีอารมณ์อมเก่าอารมณ์เก่าบางทก็จะกดบางทีตู้ไปสูกับอารมณ์บางทีก็มีไปตามอารมณ์บางทีเราก็เลี่ยงไป เรี้ยงไปสังสรรค์เลี้ยงอารมณ์ไปสังสรรับ น, นี่ก็เราก็จะเลี้ยงไปตอนนี้มันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ได้เรียนรู้อารมณ์ยังไม่ได้อดทนที่จะเรียนรู้มันทำความเขา้าใจมันว่าทําไมมันจิตหลงไปตามอารมณ์เราจะอยู่เหนืออารมณ์ได้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องเกตเรียนรู้เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ทดลองอ่ะ เวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมีความคิดมีการแต่งขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นทำไมเราเราจะอยู่เหนืออารมณ์เหล่านี้ได้ยังไงจิตใจเราไม่อารมณ์ก็มีไปแต่ใจเรามันไปไปตามกับอารมณ์ไปกับอารมณ์แล้วเราจะอยู่เหนืออารมณ์ได้อย่างไรตรงนี้ยเราสังเกตเรียนรู้มันเราก็เข้าใจเหมือนกับนักวิจัยเราไม่มีการทอดทิ้งอารมณ์แล้วก็นีอารมณ์ไป ไปหัดตสันเฮฮาไปอะไรเงี้ยจนผลที่ตั้งเกตมันอย่างละเอียดรอรอบครอบทาไมเราแพ้อารมณ์แต่ทั้งที่อารมณ์และความคิดมันเป็นฝ่ายนามธรรมแต่ทำไมมันทําร้ายเราได้ทำร้ายจิตใจเราได้แล้วท่านที่มันไม่มีตัวตนอารมณ์เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีอาวุธไม่มีเครื่องมืออะไรมาทําร้ายเราได้ลุกลามมันก็มีมี เครื่องมืออาวุธอะไรมันก็ไม่มีความคิดและอารมณ์เราเนี้ยแต่ทําไมความคิดอารมณ์อย่างเนี้ยมันทํำลายจิตใจเราได้เราอย่าไปกลัวมันแล้วเราก็จะหนีมันอจะหลีกอย่าลีบหนีมันเราต้องเกตมันเรียนรู้มันเรียนรู้จักมัน เ, นเราจะอยู่เหนือมันได้เราจะมีคุณค่าที่สุดชีวิตจะมีค่าที่สุดเกินเราจะพ้นจากทุกพ้นจากภพบชาติได้พ้นจากกิเลสตัณหาได้ เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในจักรวาลด้วยจะเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรหันต์ทั้งหลายปรินิพานไปแล้วก็ไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติถ้าเราในใจเราในขณะปัจจุบันแม้จะไม่ตายเรายู่เหนือความคิดอารมณ์ได้เราก็จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรหันต์ที่มีมาได้ในทั้งหมดพระพุทธเจ้าจะมีมาได้ทั้งหมดเหมือนเม็ดทรายในท้องทั้งหมดมากมาย เราจะกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้แต่เนี่ยต้องเร you know. ียนรู้ว่าเวลามันมันมีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นทําไมความคิดและอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันไม่มีอาวุธใดๆเลยไม่มีไม่มีมือไม่มีเท้าไม่มีศอกไม่มีเขาไม่มีอาวุธใดๆด้วยมาทำร้ายเราได้แต่มันทําไมทาร้ายจิตใจเราได้แล้วบางทีมันทำร้ายจิตใจเราอย่างไม่พอมันทําให้เราเนี่ยไปทํำร้ายคนอื่นได้ด้วยไปทำร้ายจิตใจทําร้ายร่างกายคนอื่นได้ด้วย แต่ท่านทีความคิดแล้วอารมณ์เหล่านั้นไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีเครื่องมืออะไรเลยทําไมมันทําลายจิตใจเราได้ทำให้จิตใจเรากุมกล่อมกุมกล่มกุมกําไปมีอารมณ์ทุกนุ่นฟาดนี่บางทีก็ไปทําลายคนอื่นไปพูดทําให้คนอื่นเจ็บจานําใจทะเลาะเบาแวงกันได้ทําไมจึงเป็นอย่างนี้เราก็เรียนรู้มันเข้ามาของมันไม่มีตัวตนมันเป็นมายาได้ยังไงหลอกลวงเราได้ยังไง ทำใมเราเนี่ยหลงมันไปเป็นบ้าเป็นหลงังหลงมันไปได้ยังไงทําไมเราไปอยู่ใต้อํานาจเป็นทาสของความคิดและหลงได้อย่างไงเราก็สังเกตเรียนรู้ตัวเราอย่างเงี้ยด้วยความอดทนสังเกตเรียนรู้เมืม่อเราสังเกตเรียนรู้ได้หมดอ่ะเราก็ค่อยๆมีอํานาจเดี๋ยมันก็ค่อยมีอำนาจเดี๋ย <ừ. S 1> วมันก็มีอํานาจเดี๋ยวมันมีอานาจเดี๋ยวมันขนาดที่เป็นของที่มีรูปธรรมเป็นช้างป่าม้าป่าดิงป่า มันดุร้ายมากแล้วก็ตัวใหญ่กับคนเยอะแต่ด้วยความสังเกตเรียนรู้เนี่ยเขาค่อยๆสังเกตเรียนรู้สังเกตเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เรยรู้เขาค่อยๆสังเกตเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเขาก็สามารถที่จเข้าใจธรรมชาติของช้างป่าม้าป่าลิงป่าว่าคนตัวเล็กเนี่ยจะมีอํานาจเหนือกว่าช้างป่าม้าป่าพวกควายป่าจะเอามาใช้งานมันได้อย่างไร โดยการสังเกตเรียนรู้ของคนตัวคนป่าตัวเล็กๆนี่เนี่ยเขาก็จับมันมาอาทางจับมันมาฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกจนพขาเอาออกลบสำคนคขามได้คนตัวเล็กช้ามตัวเบลอชา้ชางป่าดุร้ายด้วยคนยังขี่คอมันก็เจนได้มีอำนาจบังคับมันได้นี่ก็เพราะอะไรเพราะศึกษาเรียนรู้มันจนกระทั่งรู้ว่าเราเจนอยู่เนื้อมันได้อย่างไร ธรรมชาติของคนมันเหนือกว่ามากิดฉะนั้นเราก็เหมือนกันเนี่ยความคิดแคลงเนี่ยมันเหนือเราได้อย่างไรเราต้องพิจารณาตอนตอนนี่ช้างป่าม้าป่ามันโหยมันยังมีมีฤทธิ์มีกําลังโตมันใหญ่มากแต่นี่มันความคิดแคลงไม่มันเป็นนามธรรมตัวตมันไม่มีเลยตัวตมันไม่มีเลยรูปร่างมันก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ไม่มีแต่ทําไมมันทํำลายจิตใจเราได้ ทำร้ายร่างกายเราได้ไปลูกคอตายไปยิงตัวตายแล้วก็ตั้งหลายคนแลาทีก็เราก็ไปไปตามอารมณ์ไปทำร้ายคนอื่นได้ไปฆ่าคนตายจาํานวนมากก็มีเป็นไปตามอารมณ์ขึ้นกำขึ้นกำมันทําไมล่ะตั้งนี่มันไม่มีไม่มีริสมีมีตัวเราก็ต้องเกตมันอย่างนี้จะไปกลัวมันไม่ต้องไปหลบหลบหลีนี่มัน เราก็สังเกตมันไปเรื่อยๆอย่าทิ้งการสังเกตอย่าทิ้งการเรียนรู้อย่าทิ้งการสังกเกตมันมือนกับสังเกตหมาป่าช้างป่าลิงปา่าตอนที่ดูไ้ายเขาก็สามารถสังเกตมันออกแล้วก็อยู่เหนือมันได้เอามาใช้งานได้เอามไว้ทําประโยชน์ได้แบบเดียวกันความคิดแล้วลมต่างๆเราสังเกตมันออกเสร็จแล้วเราก็กมาใช้งานได้มันมีอํานาจมากมีฤทธิ์มากมันไม่มีตัวตนก็จริงแต่แล้วมันมีอํานาจมากมีฤทธิ์มากพวกเราสามารถ อยู่เหนือมันได้คุมเบงเกอียนมันได้เราสามารถบงการให้มันเอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เพราะนั่เราจะต้องอยู่เหนือมันให้ได้พออยู่เหนือมันได้เราก็สร้างอํานาจสร้างอิทธิฤทธิ์ได้เยอะแยะแล้วแต่บุญวาสนบา ร, รมีตาทิพย์ปู่ทิพย์ลวดีลวอนาคลวดวราจิตคนอื่นได้ละลึกชาติได้แสดงอิทธิฤทธิ์หายตัวดำดินห่อเอิญเดิอนอากาศแต่งกายได้สามารถพ้นทุกพ้นกิเลสตัณหาได้ ไม่ไม่ต้องตกกลับไปในเวียนว่ายในพบทั้งสามได้กรรมะพ บ, พบลูปรพบอรุภพบสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลได้เป็นหนึ่งเดียวกับพลังจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยสงพระอ า, าราันทั้งหลายที่ท่านทิ้งไว้ให้แก่ธรรมชาติในจักรวาล น, นี้เป็นที่สุดในเยอมานและพลังธรรมชาติในธรรมชาติที่เป็นพลังบริสุทธิ์ของธรรมชาติมหาศาลแทบไม่หมด เราก็สามารถเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์ตนเกือ้อกูลตนเพื่ออื่นเพื่ออื่นแม้คนทุกได้แน่ถ้าเราฝึกฝนตั้งเกต่ดูจิตใจเนี่ยแล้วเราจะมีมีมีฤทธิ์มีอํานาจมากเลยเหมือนกับช้างป่าม้าป่าตัวเดียวพอเรามาฝึกได้มันก็มีฤทธิ์มีอานาจเท่าที่ตัวหนึ่งแต่นี่โอ้โหถ้าเราเหนืออานาจจิตอํา น, นาจความคิดอํานาจอารมณ์โอ้โอสามารถครอบคุมโลกธาตุนี้ได้ กองุมโลกก็ทาตุได้แล้วแต่ว่าเอาไปใช้ทางด้านไหนแต่คนชั่วขนาดฝุดเลยเล็กๆน้อยๆมันยังอาเอาไปใช้อํานาจคอบคร อ, อบนำจิตใจคนอื่นเขาทําให้เขาหมดเนื้อหมดตัวเสียหายย่อยยับก็มีอันนี้นก็เป็นบาปกรรมไปแต่บริจาคที่ดีเป็นดีเป็นบุญกุศลก็ช่วยเหลือเพื่อคุณค น, คนอื่นได้เดยอะแยะมากมายสิ่งใดๆในโลกนี้มันก็มีอำนาจฝ่ายขาวกับฝ่ายดําำผมตัวที่ใช้อำนาฝ่ายดําก็ ก็ผมมีฤิ์มียอำนาจน่อยฝึกได้นิดเดียวลำกอบประชาอำนาจฝ่ายดำคนชั่วย่อมมีอยู่ธรรมชาติของโลกคนดีก็ย่อมมีอยู่พอประชาอำนาจฝ่ายดีฝ่ายบุญบารมีมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยอยู่ที่ว่าเราจะประชาอำนาจฝ่ายไหนแต่ถ้าเราไม่ไม่อยู่เหนืความคิดอารมณ์ได้ไม่มีอิติลทิ์ไม่มีอำนาจไม่มีบารมีอะไรเลยเพราะว่ามันตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสหมดเลข้าใจไหมครับผมเอเราจะไหวยัไงอรั ต้องสังเกตมันให้ต่อเนื่องมากกว่านี้ให้ตั้งใจให้มากกว่านี้ครับสายถูกสายถูกสายถูกอย่อย่ายอมแพ้มันนะยอมตามมันไปอือครับอย่ายอมแพ้มันหลวงตาเนี่ยเคยเวลามันเกิดการมรดณาราคากำเริ่กตอนสมัยเป็นขราวาสเกิดการมตัณาราคากำเริ่มเลยนะก็ เราก็ดูสิมึงจะทําอะไรกูได้วะปืนมึงก็ไม่มีมีดไม้ก็ไม่มีศอกเข่าก็ไม่มีตัวตนมึงก็ไม่มีมึงจะทําอะไรกูได้ไยืนจังก้ามาเลยดูที่ว่ามึงจะทําอะไรกูได้เอาพอมันเกิดอารมณ์การมตาตัะหาัราคะต่อสมัยเป็นฆราวาสมันก็เกิดบึบึ้บึ้บู้บึ้บึ้บึ้บึ้นะบึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึะบึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บ ตัวตมมันก็มีมีดปืนบือไม้มันก็ไม่มีสอกเขาวมันก็ไม่มีมมมมมมมจะทําอะไรไรจะทำะไรกูได้กูไม่กลัวมึงพูดอย่างนี้เลยพูดกับมันหระกูไม่กลัวมึงแล้วก็ยืนหยัดเลยมึงจะทําอะไรกูได้เอ้าไม่คิดจะไปกลัวเขาแล้วไม่คิดจะไปไปพยายามดับเขาให้มันหายไปเหมือนกับยืนนั่มือไผ่หลังเลยให้เขาชกไปเดียวดูที่ว่ามึงชกกูให้ล้มให้ได้เดียวจะทําอะไรกูได้เอาโอ้ยเหมือนกัน เกิดบุปผอบบุปผอบบุปผอบบุปผอบในจิตใจมันอูนาตาเลยบปผอบบุปผอบบุปผอบไปอยู่นานมากเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็ยืนจังกลาสู้มันอยู่างนี้นะที่ว่าไม่นไปคิดสู้มันมันเอายืนมือไว้หลังแล้วก็ดูมันว่าเอ้ามึงเอาเลยเกิดเลยเกิดเลยเกิดได้เต็มที่เลยเกิดได้เต็มที่เลยเอาเอาดูสิจะทําอะไรกูได้ไหมเอาเกิดเลยมันก็ร้อนไปหมดเลยทั้งตัวหน้าตาเป็นพาวไปหมดเลย เอามันเกิดเลยเกิดเลยมันเกิดให้เต็มที่นะมันเกิดเต็มที่เลยมึงอย่าหายไปอย่าดับไปนะเดี๋ยวมึงหายไปดับไปมัจะสีโอาเกิดเลยมันก็เกิดใหญ่เลยเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดมันสูงสุดแล้วมจะไปไหนอารมณ์มันก็แค่มันไม่มีตัวตนนม่มีรูปร่างมันก็แค่เป็นอารมณ์มันก็แค่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกมันเกิดเปิดเกิดร้อนร้อรอร้อนสุดร้อนไม่ไปอะไร มันไม่มีที่ไปหลักกฎกองธรรมชาติมันถึงสูงสุดแล้วมันไม่ไปไหนได้ยังไงหรอมันก็แตกโป้เหมือนตลอดแตกอ่ะพราะอุณหภูมิขึ้นสูงสุดถึงประลอดมันร้อนสูงสุดเสร็จก็เหมือนปลอดแตกประลอดแตกโป๊้แค่นั้นเนี่ยมันเสียงแตกเงนใจแตกโป๊้ในใจแล้วมันเย็นว่าบว่าบว่าพอไปถึงก้นบึ้งหัวใจเหมือนน้าอมฤตขนลุกซู่ซู่ซู่ทั้งตัวเลย ตัวเย็นไม่หมดเลยอ่ะขนลุกตั้งตัวเลยใจมันแบบล่มเย็นเหมือนนับอมาริดเลยมันเสียงพูดก็มออกมาในใจว่ากูชนะมึงแล้วกูชนะมึงแล้วมึงมีอำนาจเหนือกูมาหลายชาติเต็มทีพากูตกทุกข์ได้ยากลาําบากพากูทําผิดศีลมิตธรรมมามากเต็มทีนะกูชนะมึงแล้วแบบนี้กูไม่กลัวมึงอีกต่อไปแล้ว ถ้าเราเคยชนะมาตักงครั้งหนึ่งอะต่อไปมันเกิดครั้งที่สองมันเกิดครั้งที่สามันเกิดครั้งที่สี่เกิดครั้งที่หเกิดครั้งที่เจ็เกิดครั้งที่ร้อยเกิดครั้งที่พันมันค่อยๆอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเหมือนกับน้ําหนักหมัดของมันที่ต่อยอะต่อยยกหนึ่งมันก็แหม่เจ็บมากๆหน่อยแต่พอรู้ว่าน้ําหนักหมัดต่อยกหนึ่งต่อยไม่ขว้างเลยยื่นค้างให้ต่อยยังต่อยไม่ล้มเลย ต่อไปอ่ะหมัดที่สองหมัดที่สามยกที่สองลมอ่อนแรงยกที่สามยกที่สี่ยกที่ห้าเริ่มต่อยปพอแปฝงพอแฝงพอแฝงยังไม่มีแรงนะนั่นแหละอย่าไปกลัวความคิดและอารมณ์เวลามันเกิดขึ้นดูมันเลยเห็นมันแล้วอย่าคิดว่าจะพยายามดับมันดูสิมึงจะทําอะไรกูได้วะตัวตนมึงก็ไม่มีรูปร่างมึงก็ไม่ดีมึงเป็นแค่มายาหลอกลวงเหมือน เหมือนผีไม่มีแต่มาทําเป็นเงาหลอกลวงให้ทําให้เป็นน่ากลัวกูรู้ต่อทานมึงหมดแหละกูไม่กลัวมึงพูดอย่างนี้เลยเวลามันชนะอารมณ์แต่ละอารมณ์ได้เสียงในใจมันพูดได้กูชนะมึงแล้วกูชนะมึงแล้วโอ้ยมันความมึดเผิมมันซาบซ่านเปนต้องตัวขนลุกพิติเกิดล้นไปน้ําตาคลอเลยว่า กูเป็นทาบหนึ่งมาหลายชาติเต็มทีทากูตกละกรรมลําบากทุกอยา่างตกนรกหมกไหมาะทําผิดศีลพิสาของพ่อเมืองนี่แนะ่บัดนี้กูกลุ่มมึงเห็นมึงได้แนละ้วไม่ยอมมึงนี่ต่อไปมันต้องอย่างนั้นแนะ่ไม่กลัวมันทุกอารมณ์เอาชนะมันนะแต่ต้องเรียนรู้มันสังเกตมันมันาะเช่นเอาชนะมันแบบทือท่อๆเหมือนกับว่าเอา้า เหนั่งไม่กลัวช้างป่ามาป่าลิงป่าไกวป่าไม่กลัวหรอกบุกเลยพื้นกว่าอาวุธก็ให้บุกก็ไม่ได้ป่าตายอย่างเดียวมันต้องเรียนรู้ซะก่อนนิสัยมันเป็นยังไงเราจะชนะมันด้วยอะไรเสร็จแล้วเขาก็เอาไปหาทางล่อลวงมันล่อมันมาให้มันเข้าไปในที่ขังหลอกหลอกให้มันวิ่งก็ไปแล้วสุดท้ายเขก็จับมันได้แล้วก็ก็ฝึกมันให้มันอดอาหารตีมันเคียนมัน จะมันยอมจานวนนะเขาเอาไปใช้งานได้มีคุณประโยชน์เยอะมันต้องสังเกตเรียนรู้มันอย่างเงี้ยนิสัยมันนิสัใครกับนิสัยเรานี่ยต้องสังเกตเรียนรู้นิสยัยต้นด้านเราจะไปสังเกตเ ร, รียนรู้นิสัยใครก็ได้เหมืนอนกันเรียนรู้นิสยัยเราเนี่ยนิสยัยต้นด้านเราเหมือนช้างป่าลิงป่าหามาปา่าเนี่ยสังเกตเรียนรู้มันเข้าจะรารู้เลยว่าเราจะชนะมันด้วยอะไร ร, รู้เลเยี่ยมันหมดทุกทุกประตูแล้วเราก็มีหน้าแข่มัน ไ, ได้